กำหนดกายก็ดีกำหนดเวทนาก็ดีจิตความคิดตรุงต่างๆเยตสีต์ก็เรี ย, ยร ก, ย ก, ยกนี่ก็เป็นตัวอันหนึ่งเป็นเรื่องอันหนึ่งซึ่งเราจะพิจารณาทำหมายถึงสิ่งทั้งสามหรือสิ่งทั่วไปที่มันปรากฏในจิตในใจ จะเป็นโลกกธรรมก่อตามเป็นนามธรรมก่อตามมันเกิดขึ้นให้มีสติรู้มีปัญญาที่ารนาดูให้จิตเห็นให้จิตเข้าใจในสิ่งนั้นนั้นตามเป็นจริงของมันนี่คือผู้ที่กาหนดเพื่อความ จะตัดทะรู้เพื่อความจะไม่อยู่ในโลกต่อไปถ้ากำหนดสติปัฏฐานทั้งสีน่นี้เอาใจใส่กำหนดรักษาที่เจรินาอยู่ตลอดเวลาคนนั้นไม่อย่างชาไม่ถึงเจ็ดปีจะมีคติเป็นสองคือเป็นพระอนาช า, าและเป็นพระอรหรันต์ปูทุชนคนหนาอย่างพวกเราท่านไม่ว่าแล้ว สติปัฏฐานทั้งสี่นี้มันมีอยู่ตำหลับตำลาเลยมีอยู่ที่ตัวของตัวกายมันมีอยู่ที่ไหนเวทนามันมีอยู่ที่ไหนจิตธรรมมันมีอยู่ที่ไหนต้องตัวตาพิจารณามันมีอยู่ในตัวของทุกคนที่จะพิจารณาได้แต่คำว่าการพิจารณาเข้ามาภายในพิจารณากายนี้มันพิจารณายากเพราะเราไม่เคย ไม่เคยจะพิจารณากายทของตัวเพื่อให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงพิจารณาขอเห็นว่ากายอันนี้มันสวยมันงามมันดีมันเด่นอย่างนั้นอย่างนี้มันสูกมันสบายถือไปสำนองนะไม่พิจารณาแยกแยะเพื่อหามูลความจริงของมันมันจึ ง, งหลงไหลเรื่อยมาตแต่ไหนแต่ไร คนที่มีจิตใจมืดบอดไม่มีปัญญาสามารถที่จะทราบเรื่องสติปัฏฐานตามาเป็นจริงนี่เองมันจึงเวียนว่ายตายเกิดเรื่อยมาถ้าหากพิจาจรณาติดต่อกันอยู่บ่อยๆไม่ขาดว่าขาดตอนมันจะต้องเป็นไปได้จิตใจมันจะไปลหลงไหลฝ่ายฝันอะไรความจริงของมันมีอย่างไรจริตใจเด็พิจารณาจับจุดอยู่นั้น มันไม่มีโอกาสเวลาที่จะไปบ้าไปบอไปโกรธไปหลบไปหลงกับเรื่องอันอื่นเพราะมันดูท้องจริงที่มีอยู่ในตัวนี่มันไม่เป็นอย่างนั้นพี่แจน่งแคปเดียวเท่านั้นมันก็เลยออกไปตัวอารมณ์อันใหม่เที้ยเมื่อมันเป็นอย่างนั้นกําลังของมันมันไม่พอที่จะละจะถอนที่เหลือตัณหาให้หลุดให้ตกให้ขาดไปได้ มันจึงก่อปวรให้ทุกข์ให้โทษหลงไหลไฝ่ฝันอยู่เรื่อยๆพ อ, อเราทำของเรายังไม่ถึงขีดถึงขั้นถึงเขตถึงแดนของมันเหมือนกันกันกบเราตัดฟันต้นไมใ้ใหญ่ๆไปฟันเจ็บทีเดียวแล้วก็หนีไประยะเวลานานา ม, มาฟันอีก ตัดอยู่แบบนั้นต้นไม้ขนาดขาถ้าเป็นต้นไม้ที่มันแกียนมันแข็ ง, ขงตัดแล้วหนีไปเป็นเดือนสองเดือนเป็นปีสองปีถึงคอยมาตัดอีกทีก็ไม่มีวันขาดจนกระทั่งวันตายที่เราตัดเราฟันนั้นมันจะ ง, งอกห่อหุม้มออกมาอีกเรื่องของมันเป็นอย่างนั้นมันเลยไม่ขาดให้ มีการพิจรารณาคติปัจฐานทั้งสี่ก็ทำนองเดียวกันทุกท่านที่เคยเลยศึกษาเราเรียนมาก็เคยพิจรารณาแต่มันพิจารณาแบบว่ามันไม่ไดติดต่อกันไปนี่พระพุทธเจ้าทรงรับรองว่าจะมีคติเป็นสองนั้นท่านเหตุพิจารณาติดต่อกันไปเรื่อยๆไม่เห็หยุดไม่เห็นถอยเมื่อจิตยังยึดยังถือยังติดยังข้องจะต้องพิจารณาจน ให้เห็นไปจากในตัวของตัวเองว่ามันละได้ถอนได้มันไม่จิตไม่ค่องมันอยู่กับกายแต่ก็ไม่จิตกับกายทราบได้โดยตัวเองมันจึงจะควรหยุดควรถอยในการที่นิพพินานถ้ามันไม่ถึงจุดนั้นเราเกวรติต้องพิจารณาเรื่อยไปให้ถือเอา ความเปลี่ยนไปของใจเป็นใหญ่อย่าไปถือเอาเวลาที่ผ่านมาเป็นใหญ่ขอใจผ่าไปที่เจรนาเวลามันก็ล่วงไปล่วงไปอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเวลามันล่วงไปขนาดนั้นเราทำมานานแล้วหยุดเที่ยก่อนถอยเที่ยก่อนพักควอนเที่ยก่อนมันไปแบบนั้นมันจึงไม่เกิดอะไรอกักเจัรยร์ขึ้นผู้ที่ จะเอาจิงเอาจังนั้นท่านสู้เอาชีวิตเป็นปากการการสู้เวทนานี้มีทางที่จะทำจิตทำใจให้เห็นอาจเห็นทำง่ายถ้าจะสู้กันจริงจริงจังๆเชื่อมั่นว่าคนนั้นไม่ถึงเจ็ดวันจะต้องเห็นในจิตในใจของตนคือเราสู้ เอาชีวิตเป็นสัตว์กันมันจะปวดขนาดไหน <c oughs> ก็ปวดไปจะไม่ยอม ข, ขยับขยีนแเรานั่งอยู่ขาใดมือใดขาใดเราจะนั่งอยู่อย่างนั้นถ้าหากความอัศจรย์อะไรไม่เกิดขึ้น <c oughs> เวลามันไม่เกิดเวทนาทุกขวเวทนานั้นจิตใจเพลิดเพลินจิตกลุงไปเรื่องอื่นได้ แต่เวลามันจวนจะตายจริงๆมันเจ็บมันปวดนั้นเวทนาใหญ่เกิดขึ้นมาไล่มันไปเถอะอะไรควรกำหนัดยินดีน่าเผอดาเพิินไปคิดโน้นอย่ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของเวทนาเรื่องของกายมันไล่ไห่ไปมันกลัวตายที่นั้นก็จะแตกที่นี้ก็จะหักที่นั้นก็เจ็บที่นี้ก็ปวดมันจะพังจริงจริงจังจัง มันมีแต่อยากจะลุกจะหนีมันเจ็บปวดร้อนแล้วอย่างที่บอกไม่ถูกเหมือนนั่งอยู่ในกองไฟหรือเหมือนเอาเหลาวถิ่มขึ้นไปบนอากาศแล้วนั่งอยู่บนบนไฟแหล น, นไฟเหลาวมันไม่มีที่ไหนมันถูกมันสบายให้และยานั่นแหะไล่มันไปไม่ได้ทางกากิจไม่ร่วมให้ ใจไม่เป็นธรรมมันก็ทำถ่ายจะ่ตายถ่ายเดียวคนที่ใจไม่เด็ดไม่ยอมเสียสละชีวิตมันก็อยู่ไม่ได้ีกจะต้อตงลุกต้องหนีต้องเปลี่ยนอิริยาบถอิริยาบถเนี่ยปิดบังพุกเอาไว้ไม่เห็นเราเห็นชัดเจนถ้าเราสู้กันเอาเรานั่งก็ถท่านี้แหละเป็นท่าสุขท่าสบาย อย่าเป็นถุกแล้วการนั่งของเราเมื่อนั่งไฟนั่งไฟความเจ็บปวดมันเกิดขึ้นนั่นแหลจะจเรพิจารณาเรื่องของมันมันมาจากที่ไหนมีอะไรอยู่ในตัวของตัวมันจึงเกิดขึ้นอย่างนั้นเมื่อหนังก็ค้องเก่าแข็งขากาค้องเก่าลึกใครเขาเอามาให้นี่มันจะทราบเรื่องของเวทนาเราเวทนานั้นสักแต่ว่าเวทนา ไม่ใช่จิตเพราะเราได้สู้ไนพิจารณาดูตามเป็นจริงของมันตายนี้มันไม่ทราบอะไรตายเอาไปเผาไฟฝังดินมันกไม่เห็นบน่นอันนี้มันเกิดขึ้นมาจากที่ไหนจะดูของเก่าเนื้อหนังของเก่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้พี่แจนะถ้าหากจิตไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริงเหนืออะไร ตายก่อนเห็นมันตายไปให็เขาเลยลงนังสื้อพิมพ์ออกอากาศว่าคนนั้นภาวนาจนตายก่อมันเห็นไปถ้าหากมันไม่ตายสิ่งที่เหลือตายคืออะไรเราจะทราบสิ่งใดมันตายไปเห็มันตายไปสิ่งใดที่มันเหลืออยู่เราจะเอาอันนั้นแหละเป็นตัวของเราเป็นของของเรานี่นักสู้ต้องสู้แบบนั้นเวลาต่อสู้กันจริงจัง ระยะนั้นแหละทมอัศจรจะเกิดขึ้นถ้าเราต่อสู้ได้จะทราบเรื่องของจิตของใจว่าเป็นอย่างไรความอัศจรที่ไม่เคยเห็นเคยเป็นมา ก, ก่อนมันปรากฏขึ้นมีความยิ่มแยมแจม่มใสมีความสว่างสว้โล่งอกโล่งใจ เมื่อเวลามันจะตายจริงจังมันก็แบบนี้เราสู้มันได้แล้วขล่อยใจตามเป็นจริงเวทนาหน้าไหนมันจะเกิดขึ้นเมื่อไรจิตใจของเราจะรุ่มหลงอีกหรือไม่เราทราจากการทำของตัวฉะนั้นการสู้การทำแบบนั้นมันจึงเป็นเรื่องของทุกท่านที่มุ่งมั่นเพื่อ จะปฏิบัติพนโลกจะต้องทดสอบการทำบำทําเพ็ญมันยากมันยากมันยุ่งปฏิบัติมาเท่าไรก็ไม่เห็นเกิอดอาัศาจรารย์อะไรให้ใจไม่เชื่อไม่เลื่อมใสทำไปก็เมาตัวเองว่าเป็นคนที่ไม่มีอำนาจบาสนาะไม่เห็นธรรมะธรมโมให้ ก็ทำไมมันเกิดมาได้เรามีหางมีเขาหรือจึงไปเหมาว่าตัวหมดอานาจวาสนามันจะต้องตอว่าดับสันดานมันเกิดทำการจริงจังมันไม่เห็นไม่เป็นไห้ก็ให็มันตายไปเลยสิเขาเกิดมาตายอยู่แล้วจะต้องเป็นคนเด็ดเดี่ยวอาจหานตอ่อสู้อย่าไปหลงสังขารมารกิเลส ไม่อย่างนั้นก็จะไม่มีวันทันกับเรื่องของการแก้ไขใจของตัวมันจะหลอกเลื่อยไปจะหลงเลื่อยไปทำให้มันถึงจิตถึงขั้นเชื่อมั่นในตัวแล้วมันสุขมันสบายเพราะใจมันสบายจะตายจะอยู่มันก็สุขกาสบายของมันอยู่อย่างนั้นเพราะไม่มี อะไรที่จะตายไม่มีอะไรที่จะเสียหายความเห็นความเป็นของใจมันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามเป็นจริงของมันไม่เป็นท่าศึกต่อตูกันทุกสิ่งทุกอย่างเป็นมิตรกันหมดนี่คือความเห็นตามเป็นจริงทุกกว่าสทาบั่าทุกสมุทัยความหลงไหลความบ้าเ้าก็ได้ละได้ถอนไปแล้ว อำดับทุกสนิทในใจเป็นอย่างไรเราก็เห็นการกระ ท, ทําบมาเพ็ญของเราที่จะมารู้มาเห็นสิ่งนี้เราได้ทาอย่างไรเราก็รู้ได้คำทุกสิ่งทุกอย่างในอริยาาสัจจบแล้วมันจะมีอะไรสงสัยมันมีจะมีอะไรทำให้ตัวเดือดร้อนมันไม่มีแังนั้นขอทุกท่าน จงนำไป พ, พินิพิจนาบําเพ็ญทุกคนมีอำนาจวาสนามีสติปัญญาพอที่จะเห็นจะเป็นได้ถ้าเราเมาเอาว่าเราอาภัพอาวาสนาทำอะไรไม่เกิดไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้ถึงอยู่ไปก็หนักวัดหนักว่านักศาสนาถ้าไปคิดอย่างนั้นมันก็อ่อนข้อ ในการทำของตัวแล้วก็ไม่ทราบว่าจะทำไปอย่างไรใจมันไม่มีกำลังให้ผลที่สุดก็อยู่ในศาสนาไม่ได้ถึงอยู่ไปก็ไม่มีคุณค่าจิเลตตัญหามารบกวนอยู่ทุกวันทุกเวลาอยู่เป็นพระเป็นเนนตั้งแต่เพศตั้งแต่กายใจวุ่นวายอยู่กับเรื่องของโลก แบบนั้นมันไม่มีคุณค่าสาระให้จงพากันสอนใจของตัวต่างหน้าต่างตาปฏิบัติรักษาเพราะนักบวชทุกคนมุ่งมั่นบวชเพื่อจะละจะบำเพ็ญละสิ่งที่ชั่วบำเพ็ญสิ่งที่ดีทำจิตของตนให้ผ่องใส ไม่ใช่บวชเล่นบวชไม่บำเพ็ญต่ปากทรรมบวชเลี้ยงกิเลสตัณหาบวชแบบนั้นไม่นับเขาในนักบวชยิ่งเป็นกรรมฐานทั่วไปเขาสรรเสริญชมเชยว่าเป็นนักปฏิบัติแต่เราปฏิบัติกันแฉ่ไหนเอาใจใส่ในอัดในรมหรือไม่ ยี่มีแต่เพลดิดแต่เพลินแต่หลุมแต่ลงแต่พูดแต่คุยกันไปในสิราาิฉานในกระถาบ่าบอไปตามเรื่องของโลกเราจะต้องพี่นี้พิจรารณาเราไม่รักษาตัวของเราเราไม่ช่วยตัวของเราแล้วครูอาจารย์ก็ช่วยไม่ได้ธรรมะก็ช่วยเราไม่ได้เราต้องช่วยตัวของเราแนะสอนตัวของเรา ความฉลาดเป็นในเรื่องคิดอ่านด่านของกิเลสไครสอนให้ทำไมมันถึงจริงเก่งมากแล้วตำรับตำลาครูบาอาจารย์สี่สอนทำสอนอยู่เรื่อยทำไ ม, ไมจดไม่จำไม่นำไปประพฤติปฏิบัติคิดอ่านดูแลปรับปรุงตัวข้องตัวให้ดีวิเศษเราจะต้องทีนี้พิจารนาแนวสอนตัวข้องตัวมีสติ มีปัญญามันเกิดขึ้นมาอย่างไรก็ให้รู้ปัญญานี่อยู่ก็ช่วยวิจารณ์และแน่สอนถามันชั่วก็รีบละถามมันเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตนและคนอื่นสัตว์อื่นก็รีบรักษาเอาไว้นี่คือการปฏิบัติกายใจปฏิบัติบูบช า, า พ, พระพุทธพระธรรมพระริยสง ท่านปฏิบัติมาอย่างนี้ท่านจริงเป็นผู้มีความสุขความสบายมีความหยิมหย่องพองไสมีใจบริสุทธิ์ปฏิบัติแบบเราๆา่านๆมันไม่เป็นอย่างนั้นมันจึงเกิดทุกข์เกิดโทษอยู่เรื่อยๆเดียเด๋ยวรักเดี๋ยวชอบเดี๋ยวเสียดเดี๋ยวชังอยู่เรื่อยไปนี่คือใจไม่ปกติใจไม่ปกติใ จ, กต ใ, จกตใจมีโรคมีกิเลสอย่างนี้ จึงควรเอาสติเอาปัญญาเอาศรัท ธ, ธาความเพียรมาแนะสอนมันอยู่เรื่อยเื่อยอย่าไปห่างหมอห่างยาสําหรับคนโรคภัยมันมากโรคกิเลสตัณหาเขาอย่าไปห่างธรรมะห่างสติปัญญาถ้าหากเราแนะสอนตัวของเราอย่างนี้ที่เจนะการธรรมะที่ ส, สอนเอาไว้ตั้งสติอยู่ใน สติปัฏฐานทั้งสี่เราทุกคนก็จะมีความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรจะเวลาพ อ, อยุติเพียงแค่นี้มันชัวรมากกว่าบอกท้ามาหนึ่งทฤษีคนทุกคนจะหึงกั น, าน้าหน่อแหละหนี่ยเงี้ยโมเป็นใจที่แกว่ามันคิดมันนึกมันกินปันกีนได้ยุ <c oughs> คว่ำแล้วคว่ำเด้อเหนื่อยธมะมัก็ไมมีอันอื่นรอคนปุูดกับคนเก่าคนฟังกับคนเก่าที่ใจกับตัวเก่าศีลธรรมของคนเก่าเหนมันพี่ได้พี่เจ้าเอาศึกษาเอา ทำความเพียรเข้าจิตใจมันชั่วมันเสียก็อพยายามละถอนออกไปเป็นเรื่องธรรมะที่พระพุทธเจ้าบ่งบอกเอาไว้ไม่ใช่ว่าฟังแล้วหม่ยผพิษปฏิบัติหม่ครบหม่คิดหม่มีความผัดความเพียรหม่ละไม่ทถอนมันก็ไม่เกิดสาราประโยชน์ให้เหมือนกันกับเราเรียน นักศึกษาเรียนเลขมาหาไม่เขียนมันก็ล้มกระลุนไปนี่ยเอาวิชาที่เรียนมาได้ไปทําการทํางานมันก็ไปประโยชน์ให้สี่ธรรมะที่หลวใจเจ้าสอนเอาไว้สิ่งทุกอย่างสีเราจำเอาได้แล้วก็ลงมือประพฤ่อปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติที่อื่นปฏิบัติกายปฏิบัติวาจาปฏิบัติใจของตัวเองเมื่อปฏิบัติได้ เราก็จะเห็นอันนี้สงความสงบความเย็นใจมันจะเกิดขึ้นให้บิง ท, ทีมันร้อนมันเผามันทุกข์มันลำบากมันไม่ใช่ธรรมะมเป็นทางของกิเลสของปัญหาของทางชั่วทางเสียพระพุทธเจ้าจึงสอนเหละเหเว้นเหตุรีเลียเ่ยงมันนี้อย่าไปติดตามมัน แต่เรียนมึงใน ไ, ได้มึงก็เผาของใหม่ให้รั บ, รบทุกบคนอยู่เื่อยไปทามาเกี่ยวกับสอนเอาไว้ก่อนมีหลายสิ่งหลายอย่างครู อ, อาจารย์ที่นํามาแนะสอนก่อนนับไม่ควรไม่ว่าอะไรต่ออะไร น, นํามาสอนกายสอนใจทางนั้นเราชอบอะไรสิควรจะนํามาแกกไขปกับคูงตัวของเราก่อนนํามาทิ่นี้ทเจนะนํามา ละมาถอนแจกมาไถ้ให้เกิดความปุกความสบายทางจิตทางใจว่าธรรมะเป็นอย่าง <c oughs> เป็นยาแจกไขโรคไฟคือจิเลตันหาที่ลุมล้อมแผดเผาจิตใจธรรมดาจิเลตันหานี้มากเท่าไรก็เหมือนไฟร้อนเท่านั้นทานจึงสอนให้ดับมันด้วยน้ำ คือทำนะหมดแกะไขไปได้เท่าไรไฟมันดับความเย็นไม่ตรงเหยื่อร้อนจากที่ไหนมันเกิดขึ้นจากไฟดับนั่นเองมีไฟฟองใหญ่เท่าไรก็ยิงร้อนออไปเท่านั้นการที่เจนาแกะไขกายใจนั้นเป็นสิ่งสําคัญ ท, ทุกคนจะพยายามแกะไขเพราะพวกเราก็เกิดมามีอายุพอสมควรทุกคนแล้วทางหน้าไม่ทราบว่าจะยังอีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีเราคอยจะจากนี้จากโลกอันนี้คือตายไปตอนตายมันติดตามอยู่ทุกคนหายใจออกมก่อ ตายทำมันไม่เข่าเข่ามันก็ตายทำมันไม่ออกชีวิตของคนเคียงแค่นั้นเน่ยกายทั้งขานอยู่ได้ลมหายใจแต่หมดลมหายใจถึงสิ่งของเ ง, งินทองจะมากไม้ขนาดไหนมันก็ช่วยไม่ได้ที่ช่วยกายของเราให้ไปได้มาได้อยู่ถกอยู่สบายก็คือลมหายใจลมหายใจยังอยู่จะมีสิทธิจะพิจารณาสั่งชุมงานความดีได้รีบเร่ง จะทำบำเพ็หอยู่รวยไปจะไปนอนใจใตายใจทางสอนของพระพุทธเจ้าโอวาสุดท้ายสี่พระพุทธองค์จะาบริณีพานเราสั่นไปสวสดไปว่ากันสั้งขานทั้งหลายมันแสบวนมันเปลี่ยนแปลงมันไม่แนนนอนเ จะต้องอาศัขขาายความเม่ประมาดทั้งทั้งหลายจงูจงทถว า, ายควยยยามเมตตาระยะธรรมระยะธรรมาสังขาราประมาณเขียนนะสำคัญเลยค่ะอยูสังขารทั้งหลายต้นแต่ควรเปลีป่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆทั้งทั้งหลายจงอาศัขขาายความเมะมาความเมตตาคือควาา่าไเมื่อกลความมีสติทุกระยะเวลาแล้วต้องมีสติ เราลึกๆอยู่ว่าเราเกิดมาแล้วจะต้องมีการตายเป็นแน่นอนหมือมีการตายแล้วเรา็จะทรา บ, บ่าเขาของเงินทองคนตายหาหามพองที่อยว่ไปไม่ได้สิ่งของภายนอกเป้นแต่บุญบาต ท, ที่เรากระทาบนเพนแถานั้นจะเป็นส่วนสองของเรา <c oughs> เป็นอย่างนั้นเราจะมีสิีบแสวงหาได้ก็อาศัย ยังมีลมหายใจเป็นอยู่เท่านั้นแต่าตายไปแล้กวก็ไม่มีโอกาสเวลาที่จะแสวงหาบุญกุศลได้แล้วมาประมาททุกวันทุกคืนหมันพี่นิษฐิเจนะพอทำทานได้ก็ทำไปพอรักษาศีลได้ก็รักษาไปพอภาวนาได้ก็ภาวนารอยไปสะสม ถึงคุณงามความดีอยู่เรื่อยๆเหมือนเราสะสมคุณงามความดีอยู่เรื่อยทวาดีกว่าจะหากบูลขึ้นเราจะได้พึ่งและอาศัยในภพชาติต่อไปหากเราประมาทตายใจนอนใจใจว่าอายุของเราจะยืนยงคงอยู่ไม่ต่อมือเถ่าเชือก่อนยีนั้นเชือก่อนเดือนนี้เชือก่อนึุกคนจะทำเถอะ อย่างบุญหลวงกุศลเราคิดอย่างนั้นเมื่อตายเข้ามาสุลาามาถึงเข่าเราก็ไม่มีอะไรเพราะเราไม่เตรียมเอาไว้ไม่ไห้หาเอาไว้เหมือนกันกับคนหิวอยากข้าวอยากอาหารแต่ไม่เตรียมไม่หาเอาไว้ไม่ทราบว่าจะไปหากินที่ไหนความหิวนั้นมันก็หิวอยู่เรื่อยไปถ้าเราเตรียมเอาไว้พอหิวเข่าเราก็เอา อาหารที่เราเตรียมเอาไว้รับทานเสียความหิวกว่าจะบรรเข้าไปหมดไปหิวใหม่เกิดขึ้นก่ทานอีกถือบุญกุศลที่เราสะสมเอาไว้ก็ทํานองเดียวกันพอเราจากฉาตินี้ไปจะไปเกิดใหม่อํำนาจบุญกุศลที่สั่งเอาไว้ก็ให้ความสุขความสบายไปพบฉาติต่อไปหมายถึงใจที่ยังยินดีเรียนหลายใจเกิด แต้ต้อแสวงหาบุญส่วนเป็นส่วนของเอาไว้ในอย่างนั้นก hey, ่อนคาดหวังเมื่อไม่จบสิงที่ตนชอบต้นตาธนาถึงเกิดได้ก็ลำบากจาอยู่เจ็นใจไหลทับอัปัญญาจะมีความสุขทางกายทางใจ คนมีบุญมีกุศลที่สะสมเอาไว้มันฝุกนมันสบายทุกสิ่งทุกประการไปถึงมีเกิดที่ตายเหมือนเขาแต่คนเหล่านั้นจะมีความฝุ่นจิตกันกับคนผีอดอยากอยากจนคนผีเรือมีบุญมีกุศลนี่หมายถึงกูจะชอบเกิดชอบตายแต่โดยมากถึงไม่ชอบ กิเลสตัณหายังมีอยู่ในจิตในใจละไม่ได้ถอนไม่ตกมันตัตรงตายอยู่วันยังค่ำเกิดอยู่วันยังค่ำเพราะเชื่อบันยังมีอยู่ฉันจะให้ค่าเชื่อของมันโดือการภาวนาดูการทำจิตทำใจให้รู้ให้เข้าใจให้เห็นตามเป็นจริงในสิ่งต่างๆ ไม่ว่าภายนอกภายในใจที่เป็นที่เดยดตัญหาอาวิชชาภายในผูใจอย่างไรหาภาวนาามความงสงบข้องใจมีสติรู้อยู่มีปัญญาสอบดูจะทราบว่าอันนี้ตัวการสำคัญผีด ท, ทำให้พววเราท่านได้รับทุกรับโทษ กอดพวกกอชาิอยู่เรื่อยๆคือจิตแบบนี้ใจแบบนี้มันจะทราบเมื่อทราบมันก็มีทางที่จะตัดมันได้ถ่ามันได้ถ้าไม่มีทางทราบมันแล้วก็มันก็หลอกรวยไปเกิดพบน้อยพบใหญ่ทนทุกข์ทรมานอยู่เรื่อยไปการเกิดปกตินักกาดถั่วไป มี ใ, ใจเป็นอาจเป็นธรรมในใจสูงทั่นกลัวมากกว่ากลัวตายเพราะความเกิดเป็นตปัจจัยของความแก่ความตายถ้านไหนเกิดเชื่อแล้วความแก่ความตายมันก็ไม่มีสั่นจริงกลัวความเกิดมากกว่าความตายท่านไหนกลัวในกลัวอย่างไรเพราะท่านเกิดมาแล้วท่านไหนสะสมคุณงามความดีท่านไหนละในบำเพ็ญสิ่งที่ควรละควรบำเพ็ญ จนจิตใจทั้งสันบริสุทธิ์หมดผ่อนสงสัยในจิตในใจว่าพบชาติใหม่จะมีอีกหรือไม่ทาา่ทานทราบท่านเข้าใจในเรื่องทของท่านแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะสงสัยตายไปแล้วจะสุดจะทุกอย่างไรทราบดีอยู่ในจิตในใจของตนเมื่อทราบดีอย่างนั้นทางละไม่มีทางบําเทนไม่มีถึงขี่สุดคือจิตเป็นมิมุตหลุด ออกจากโลกจากสงสารท่านจึงไม่กลัวตายตายไปแล้วกอแต่มีพบูมิชาติที่จะกอ่อเกิดในจะให้เจ็บให้ตายอีกท่านจึงไม่กลัวตายแต่กลัวเกิดปาัหากิเลสปัญหาอาวิชชาปัาทายังมีอยู่เมื่ อ, อไรการเกิดนั้นมันก็เกิดอยู่รวยไป เมื่อเกิดมาแล้วทราบสาเหตุอย่างนี้ก็รีบภาวนาละมันตัดมันทำร้ายมันให้มันศูนย์มันหายไปใจบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ได้ก็ประเสริฐวิเศษเรียว่าสารวาสเรือว่านักบวชทําบริสุทธิ์เขาใจอย่างวิเศษมากเากิดแม่ คนที่เป็ น, ปนพระได้ก็เพราะอาศัยห่วงของใจที่สะอาดอย่างโชดาเศรษฐาชานาคาละหันในต่อไปบวชในโบสมีอุปชาอชาจารย์คือการภาวานาท่านั้นทำจิตใจของเราของฉันให้บริสุทธิ์ให้สะอาดไร้กิเลสไปได้เป็นเอก thể, เทศัึนก็เรียกว่าพระโชดาพระได้ไปมาก กว่า น, นนิดหน่อยกว่าเป็นสกิทาชาล้าไปมากกว่านั้นกว่าอนาคาล้าไปหมดก็เป็นอรหันต์นี่พระโซดาสจิธทาชาอนาค า, ารหันต์อยู่กับการละกิเลสใช่การบวชเป็นพระบวชนี้ก็เป็นพระสมมติอันหนึ่งแต่บวชอันนี้ไม่ใช่ไม่อาที่จะทำอะไรเลยหายไป จากกิเลตได้ทระมหาเวทภาวนาในปฏิบัติบวชมาแล้วประพุตปฏิบัติลายกิเลสได้จึงจะเป็นพระภายในเป็นพระสาวกของพุทธเจ้าได้รารวะก็มีหน้าที่ลายกิเลสทำลายกิเลสได้เหมือนกันเป็นพระโสดาบันเป็นพระสศิษฐีทาทานะคารหันในทางพุทธการก็มีดังนั้นเราเหยียดผิวว่าเราเป็นรารวะทําอะไรก็ ทำไปจ่เป็นไรเพราะม่เป็นพระเป็นเนนคอจะผิดจะเตอมจากเสียความจริงถ้าเนียนทำก็เสื่อมก็เสือเหมือนกันผลงามความดีกระวาดทำไปก่เสื่อมกว่าเสียเหมือนกันผุ้ทิงผลงามความดีมันผิดทุกคนเหมือนไฟจริงจีมันร้อนไม่ว่าพระเนนจะไปจับต้อง ว่าว่าคารวาจะไปแตะต้องมันก็ไม่กว่าเขาเหมือนกันความชั่วทั่วไปเหมือนกับไฟใช้ไปทำเข้าแต่ต้องเข้ามันก็ไม่กว่เผาทาดีทั่วไปก็เหมือนน้ําใช้ไปอาบเข้ามันก็เย็นกวสะอาดถ่าน้ําที่สะอาดมันสามารถที่จะทําให้จิตใจเบิกบานร่างสารเปลี่ยนที่ปกติ ออกจากเมื่อจากตัวของเราได้แต่นั้นคุณงามความดีกอดีความชั่วพอดีจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนไม่ใช่ว่าพาเนมเท่านั้นจะเป็นผู้จะทําความดีเราเป็นคารวะาไม่ทําอะไรก็มไม่เป็นไรเพราะทําแล้วก็วมไม่ใช่หน้าที่ของเราว่าถ้าเป็นเจ้าต่างหากที่จะได้ ร, รับบุญลับบา ไม่ใช่อย่างนั้นธรรมธรรมสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนอาหารไม่ว่าคาราชรับทานมันก็อิ่มน้ำสํารานมีความสุขความสบายมีกําลังกายสี่ใจทำการงานได้ยิ่งสุสามาเณรฉันก็เหมือนกันมีความสุขความสบายมีกําลังสี่ใแรงสี่ใจพระพุะทธปฏิบัติตามอัตตามธรรมของพระพุทธเจ้าได้ ไปทานอาหารในว่าพ่สู่สามะเนรหรือคารวะมันก็หิวโห่ยเหมือนกันแต่นั้นทุกคนจะมีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติตามอั์ธธรรมที่พระพุทธเจ้าสอน ถ, ถือว่าธรรมะเป็นของจําเป็นในชีวิตเหมือนกันกับอาหารเราไม่ทานเราก็เหน็ดก็เหนื่อยตัวเหนื่อยก็หิวเราก็ต้องลงมือทำมือทานทําไหรับทาน แต่อยู่กินมันก็หิวเราปรากฏอยู่ในตัวของเรานี่แต่กินอาหารก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยหิวแต่กินแล้วก็รู้สึกว่ามีกําลังพอที่จะต่อสานการงานต่างๆได้มีอาหารของใจเป็นอย่างนั้นอาหารของใจก็ทํานองเยกกันคือเ ห, หตุบีบัตัวพิจานะภาวะนาะละมัน สิ่งผี่วบผีเสียต่างๆเมื่อละมันได้ความเย็นความสบายมันก็เกิดต่อเห็นก่อเป็นในตัวของตัวคนทั่วไปเขาบอกฉันล้เสริมเย็นยอ่อพอใจดีใจเย็นไม่โกรธไม่โลภไม่หลงรู้สิ่งต่างๆตามเป็นจริงเห็นทุกเียงโทษดนสิ่งผี่วบผีเสียเห็นคุณเห็นประโยชน์ในสิ่งผี ชี่ที่ชอบนี่คือธรรมะของพุทัเจ้าเราทุกคนจีตยังมีจี่เหลือตัญหามีความหิวตามตระหาอยู่กิงต้องจาเป็นต้องกินต้องดืมถ้าไม่กินไม่ดื่มมันก็หิวเรื่อยไปการปฏิบัติกายใจเหมือนยังมีเหนือตัญหาต้องาลมละต้องกระทำเกิดความถูกความสบายภายในใจจะมีกาลัง ที่นี่ไปเจอนะสิ่งต่างๆทีกวรละควร ม, มําเพียนหนเห็นไหนละไหน ม, มังเพียนได้ธรรมะสอนธรรมาภ า, ายในคือสอนกายสอนใจของคนแต่เดีสอนจนให้ภูเขาทรรมะไม่ใช่ตหลับตำลาเท่านั้นตัวธรรมะจริงจังก็่าคือพวกเราท่านตัวธรรมะถ้าเราท่านเลยดีกว่า ทำธรรมะให้เคียหยับหยั่มทำลายธรรมะหยับหยั่มทำลายศาสนาแต่ส่วนพวกเราดีก็เป็นการเฉิดชูบูชาศาสนานำธรรมะให้เจริญธรรมะมันอยู่นี้ดูอยู่นี้ก็จะเห็นอยู่นี้ถ้าไม่ดูก็ไม่รู้ไม่เห็นก็ไม่รู้ไม่เห็นธรรมะมีอยู่ก็ไม่เกิดจะรับประโยชน์ให้ จึงให้ที่เจ้านาตายใจท้องตัวทุกคนเกิดมาก่อนจะต้องไปสู่ความตายเหดียวกันทั้งนั้นผู้มีธรรมะก็จะต้องตายผู้มีธรรมะก็จะต้องตายแต่การตายของผู้ที่มีธรรมะตายไปด้วยความสุขความสบายตายไปด้วยความยิ่นหหญ่แจ่มใสตายไปด้วยความเต็ม อ, อกเต็มใจผู้มีธรรมะคนที่ไม่มีธรรมะตายไปทุกไปยากไปลำบากลำคาน เด็กสาว่ากพบได้ชาติได้เราจะเดี๋วไปต่อเกิดอีกถาไปเกิดในที่ผิดมันก็เกิดทุกเกิดโทษเกิดเป็นมนุษย์อย่างเดิมเก็ยังชั่วถ้าหากเรามีธรรมะสูงกว่าที่มนุษย์เป็นอยู่มันก็เดี๋ยวไปเกิดเป็นพวกเทพพวกพรอมถ้ามีธรรมะสูงสุดก็ไปนิพพานที่ธรรมะ ม, มีหลายขัน้นหลายตอนแล้วแต่เราจะประพฤติปฏิบัติแต่เราไม่ประพฤติปฏิบัติมันก็ไม่เห็นเป็นในจิตในใจจะบวนว่าเราอาทับอาวัสนาแต่ไม่ทําอะไรส่งถั่วิส่ ง, สงจานขออาหารอยู่นั้นไม่ทานบนมยูวันยังทํามันก็ไม่อิ่มแต่าทานแล้วมันสน่งบ่นมันอิ่มเองการลงมือประพฤติปฏิบัติก็งท่านเราโยกัน พอเรามีอายมีใจก็เหมือนกันกับเรามีอาหารอยู่แล้วที่เราจะทานได้ผ่านได้เราอยากทำทานปอตายเอาใจเนี่ยผังไหวสิสิควรใมาทำบุญเพทานเราอยากรักษาินกัรักษาตายรักษาใจตาใจมันอยู่ที่ไดมันอยู่กับเราไม่อเราอยากภาวนาลิเล ขอภาวานามาภายในดูกายดูใจของตัวมันขวดที่ไหนคนละคละมันไปมันดีที่ไหนคนมั่นชนกับคนเพ่นเอาไว้การสอนสอนเข้ามาภายในสอนกายสอนใจของเราดัางนั้นทุกคนจงนําไปที่นี่ที่เจนาศึกษานําไปประพฤตปฏิบัติความสุขความเจริญแก่ต้นของตนพบศาสตร์มีต่อไปก็จะได้สมหวัง ถ้าหากไปสแสวงหาเอาไว้ตายไปเพงจะไปบน่นคนนั้นคนนี้ทำบุญหาอย่างนั้นมันคิดตำรับตาราที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุ่ธเจาาสอนให้หบเก่งแต่ทําบําเพ็ญ <c oughs> อย่าประมาทติาพยายามนำชีวิตทําคุณงามความดีก่อประโยชน์ให้แก่ตอนของนและคนอื่นสัตว์อื่น ประมาทนอนใจอ่างกานอ่างเวลาแต่ตอนนั้นเคียก่อนจะมีเครื่อก่อนเหมื อ, อตายไปกรณีจิตถึงจิตอาศัยเพราะนั้นเราทุกคนเโดยเด็กราวคำสอนของพระพุทธเจ้าอสอนว่าไม่เหตประมาทนย่างี่เร่งแต่ทําบําเพ็ญตุงามความดีไปตามหน้าที่ของตนเมื่อทุกคนทําอย่างนั้นความสุขความเจริญก็จะเกิดขึ้น การอธิบายธรรม a ถึงเ l าพอสมควรเสียเวลาเพราะยุติเกินใจนี้เอวัง t h a the t h เดี๋ยวเราจะอาไปทำอะไ่ เข o ต้องมันี่ไหนสจังอันเนี่ยี่หรอกคุเข้าไปตังไงก็ตังมก็ไม่เออไปแล้วก็ังใช่แลวคุณหน ทำงานทำงานทำงานทำงานทำงานทำงานทำงานทำงานทำงานทำงานทำงนทำงานทานทำงานนทำ เวาต่างันต่างเงื่อนงยังต่างกันแต่เงื่อนงำไม่เป็นไรเราเป็นคนน้าไม่เป็นคนนี้นะแต่ราเป็นคนีนะถึงจะต่างกันแต่ก็ต่างกันไปไม่ไม่ต่างกันมาเลยแล้วก็จะต้องไปต่างกันไปแต่ไม่ต่างัน ทางแฟนอยากโมไปไปบอกอยู่ว่าขอเล่่ายง่ายพัดหก็้ก็เดินคมัขึ้น็่เสียาาาได้นี่่าแนว่งยะอมนกคยอนะมงงาา